เรียนธรรมะ ก, กับหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะั้นมันเข้าใจยากที่เข้าใจยากเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังนะธรรมะอย่างที่หลวงพ่อสอนมันไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันหรอกงั้นมันจริงๆมันไม่ยากเกินวิสัยที่จะเรียนกับบ้านเอาซีดีไปฟังฟังบ่อยๆนะเดีย๋ยวว่าแต่ฟังซีดีเลยเคยมีคนหนึ่งสมัยนั้นยังไม่มีซีดี แกเอาเทปมาอัดไปนะมีอยู่ม้วนเดียวแกฟังเทปยืดเลยฟังยนจิตจะตื่นขึ้นมาเลยพอรู้สึกตัวเป็นแล้วแกรู้สึกโอ้มันง่ายนิดเดียวมันยากตรงที่ดิ้นรนค้นคว้าว่าทำยังไงจะถูกนะมันง่ายเหลือเกินเลยตรงที่รู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่งนะ ใ, ใจเรากำลังกังวลว่าฟังไม่รู้เรื่องเกิดรู้ว่ากาลังกังวลอยู่เนี่ย ก็เห็นความกังวลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความกังวลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความกังวลไม่ใช่ตัวเราเห็นเองเลยนะเห็นสภาวะต่างๆก็แบบเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปนะไม่มีอะไรง่ายนะนี่ที่มันยากเพราะเราดิ้นรนค้นคว้ามากไปเรามาแต่คิดทำยังไงจะเข้าใจนะหลวงพ่อพูดนี่มันหมายถึงอะไรนะวิเคราะห์หาเหตุหาผลอยู่นั่นแหละ แทนที่จะเสียเวลาวิเคราะห์อะไรต่ออะไรวุ่นวายนะหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาในปัจจุบันไปใจกำลังงงรู้ว่างงกำลังสงสัยรู้ว่าสงสัยเป็นยังไงก็รู้ไปภาคเพียร น, นะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อไม่ใช่เพื่อใครเท่านั้นเลยแต่เพื่อตัวเราเองถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้เอาไปลงมือทำนะรู้สึกตัวขึ้นมา อย่ามัวแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกตัวแล้วคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองบ่อยๆนะดูบ่อยๆดูได้บ่อยๆต่อไปจะเข้าใจแล้วธรรมะไม่ยากอะไรจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยพรนะพุทธเจ้าดีจังเลยท่านลำบากยากเย็นนะไปค้นคว้าธรรมะมาให้เราแถมธรรมะที่ท่านสอนก็ง่ายซะอีกเนยะ mm hmm. เราดิ้นรนหาเองนะยาก เวลาที่เราคิดถึงธรรมะเราจะคิดตลอดเวลาเลยทำยังไงจะดีทํายังไงจะถูกทํายังไงจะบรรลุมรรคผลนะมันมีแต่คําว่าทำตลอดเวลานะท่านสอนให้รู้รู้อะไรรู้ทุกอะไรคือทุกขันห้าคือทุกกายกับใจนี่แหละคือทุกท่านสอนให้รู้ทุกเราก็รู้ไปสิถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละเมื่อ น, นั้นนะละอัตโนมัติเลย งันที่ท่านเลี่ยงเอาไว้นะถูกเป๊ะเลยถ้ารู้ทุกข์นั่งก็ล้าสมูทไทยแจ้งนิโรธเลยแจ้งนิโรธคือเห็นนิพพานในขนาดนั้นแหละเป็ขนขณาดแห่งอริยมรรต์นะนธรรมมาที่ท่านสอนนะยิ่งภาวนาไปนะัยิ่งอัศจรรย์ในพระปัญญาตรัสรู้ของท่านตอนอยังภาวนาไม่เป็นฟังธรรมมาท่านก็งั้นๆน่ะนะเหมือนนักปราดคนหนึ่งพอภาวนาเป็นนะโอ้โหอัศจรรย์เหลือเกิน ใครจะนึกว่ารู้ทุกแล้วละสมุทัยได้ใครจะรู้ว่าละสมุทัยแล้วจะแจ้งนิโรธได้ใครจะรู้ว่าในขณะที่แจ้งนิโรธนั้นได้เกิดอริยมรรคโอ้มีแต่คนเกลียดทุกข์มีแต่คนกลัวทุกข์มีแต่คนอยากอยากให้พ้นทุกข์ท่านบอกให้ละสมุทยัยละอยากใช่ไหนะท่านให้รู้ทุกข์ ใครๆก็เกลียดทุกเวลาทําบุญก็อธิษฐานเชื่ประคุณขอให้ห่างไกลความทุกร้อยโยน์พันโยต์แสนโยต์เลยนะอธิษฐานอย่างนี้คืออธิษฐานว่าไงถ้าแปลอย่างเชื่ประคุณขอให้ไกลนิพพานร้อยโยต์พันโยน์ <c oughs> ไม่รู้ทุกเลยไป น, นิพพานได้ไงนะอะไรเป็นทุกขันห้าเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์จิตก็วางขันสิทุกวันนี้จิตวางขันไม่ได้เพราะจิตมันเห็นว่าขันเนี่เป็นสุข หรืออย่างเก่งก็เห็นว่าขันห้าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างร่างกายเราเนี่ย <interacting> เราเห็นมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเรายังไม่เคยเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์เมื่อมันยังมีทางเลือกมันสุขบ้างทุกข์บ้างนะจิตใจก็สุขบ้างทุกข์บ้างมีทางเลือกมันก็เลือกเอาสุขเลือกหนีทุกข์สิ่งที่คิดทุกวันก็คือทํายังไงจะหนีทุกข์ไปให้พ้นทําไงจะเจอความสุขถาวรก็ปรุงอ ย, อยู่อย่างนี้ยิ่งดิ้นรนหาสิ่งซึ่งไม่มีอะไรไม่มีสุขถาวรไม่มี การจะให้ขันพ้นจากทุกไม่มีเพราะตัวขันนั่นแหละตัวทุกนะมันไม่มีหรอกไปหาของที่ไม่มียังไงมันก็ไม่ได้มันก็ยากสิแม้คิดเอาเองเลยยากถ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าสอนนะรู้ทุกลงไปคําว่าทุก์ไม่ได้แปลว่าความทุกนะทุกตัวนี้เป็นศัพท์เทคนิคนะเทคนิคเทอร์มแปลว่าขันห้ารู้ทุกคือรู้ขันห้ารู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะ รู้ลงในร่างกายนี้รู้ลงในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉรู้ peace, ลงไปในสภาวะที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลทั okay ้งหลายที่เกิดขึ้นรู้ลงไปในสภาวะรู้นะสภาวะรู้ก็แปรปรวนตัวจิตก็แปรปรวนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งรู้ลงไปเลยเห็นแต่ทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเลยเป็นปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาขันห้า ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรสักอันเดียวเลยถ้าเห็นแจ้งนะจะรู้นะมันน่าเอื้อมละอาอยู่กับของแปรปลวนคล้ายๆอยู่กับคนหลายใจมีความสุขตรงไหนขันห้าเนี้ยมันหลายใจจริงๆนะเลี้ยงมันดียังไงนะมันก็วันหนึ่งทรยศเรานะอือย่างหน้าตาเราอุตส่าห์เอาครีมหน้าเด้งครีมนาโนครีมอะไรทานะถึงวันหนึ่งก็เหี่ยวอยู่ได้นะเลี้ยงอย่างดีเลยนะวันหนึ่งก็แก่วันนึงก็เจ็บวันนึงก็ตายทรยศเราจนได้อีกอ่ะ จิตใจนี้ก็เหมือนกันนะอุตส่าห์พาไปทัศนาจรต่างประเทศอะไรเงี้ยพาไปโน่นไปนี่พาไปกินน้่งกินนี่มีความสุขเหนือยแทบตายเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือความสุขก็หายไปเนี่ยดูแล้วมันจะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับของแปรปรวนแบบนี้ได้จริงหรือมันอยู่ไม่ได้จริงหรอกนะแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบลงมานะขันห้านี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกเลย บางท่านเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนตลอดเวลามันดียังไงบางท่านเห็นว่ามันถูกเสียดแทงมันทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดจิตก็ถูกตัญหาความอยากบีบคั้นตลอดเวลาดิ้นเล่าๆไปตลอดไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยบางท่านเห็นอนัตตาไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเพราะท่านเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์นะเพียงอันใดอันหนึ่งท่านก็วางขันห้า ความอยากจะให้ขันห้าเป็นสุขไม่มีอีกแล้วเพราะรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ทํำยังไงก็ไม่สุขความอยากจะให้ขันห้าพ้นทุกข์ก็ไม่มีอีกเพราะขันห้าเป็นตัวทุกข์ยังไงก็ทุกข์นี่ใจมันแจ้งตรงนี้นะมันจะไม่มีความอยากหาความสุขความอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็ไม่มีสังเกตดูความอยากมีตั้งเยอะแยะกิเลสขัน5้0 8ันหรอยแปดเงี้ยตั้งเยอะแยะอยากโน้นอยากนี้นะอยากได้มือถืออยากได้อะไรต่ออะไร รวมความแล้วก็คืออยากให้กายนี้มีความสุขอยากให้กายนี้พ้นทุกอยากให้ใจมีความสุขอยากให้ใจพ้นทุกอย่างขี่รถยนต์นะไม่มีรถยนต์ต้องเดินโหนล้เมลาบากใช่ไหอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งมานั่งให้ร่างกายมีความสุขมีรถยนต์หนึ่งคันแล้วคนอื่นเขามีรถยี่ห้อแพงกว่า น, นี้นะดิ้นรนนะหายี่ห้อแพงอันนี้ไม่ใช่ให้กายมีความสุขแล้วอยากให้ใจมีความสุขแล้วโก้ดี แต่ถ้าเราเห็นแจ้งนะกายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์มีแต่ทุกข์กล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนีความอยากให้เป็นสุขก็ไม่มีละรู้ว่ามันไม่มีความอยากให้พ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันไม่มีใจหมดความอยากก็ใจก็หมดความดิ้นเห็น ไ, ไหมละสมูทัยละเด็ดขาดเลยละทีเดียวเลยนะเมื่ อ, อไร่รู้ทุกข์แจมนะ่มแจ้งนะเมื่อนั้นละสมูทัยในขณะนั้นเลยขณะจิตเดียวกันนั้นเลยนะ ละแล้วละเลยไม่มีสมูทไทยไม่มีตันหาเกิดขึ้นมาอีกต่อไปไม่ต้องละอีกต่อไปแล้วถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งก็ละตันหาครั้งเดียวไม่ต้องมีตันหาให้ละอีกนะมีตันหาขึ้นมาได้เพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันเป็นทุกข์ก็เลยอยากให้มันเป็นสุขทันทีที่ตันหาไม่ไม่มีนะตันหาดับสนิทความดับสนิทแห่งตันหานะั่นแหละคืออะไรคือนิโรธคือนิพพานนิพพานเป็นความดับสนิทของตันหา ในขณะที่รู้ทุกแจ้งใช่ไหมก็ละสมุทัยในขณะนั้นในขณะที่ละสมุทัยในขณะนั้นก็แจ้งนิโรธในขณะนั้นเลยนะเพราะการที่ดับความดับสนิทของตัณหานี่ยแหละคือตัวนิโรธนะตัวนิพพานเมื่อจิตมันปราศจากตัณหาเนี่ยจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งอีกต่อไปแล้วจิตจะข้ามความปรุงแต่งได้นะไม่มีการสร้างพบสร้างชาติใดๆขึ้นอีกนะตัวพบตัวชาติก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละ ตัวพบนะคือความปรุงแต่งของจิตตัวชาติคือการที่ไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนา ม, มารมขึ้นมาครอบครองไวนะ้ไม่มีอีกนะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกนะใจสบายไม่มีภาระนะี่ความดับสนิทของทุกอยู่ตรงนี้เองนะตรงที่หมดภาระหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความเสียดแทงนะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะในขนาดนั้นแหละเป็นขนาแห่งอริยมรรคเป็นขนาดแวบเดียวนะขาดสะ บ, บั้นเลย นะงั้นเมื่อไร่รู้ทุกขนะ์นะเมื่อนันลาสมูไทยแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคเมืนน่อไรลาสมูไทยนะเมื่อนั้นแหละรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเกิดมรรคเมื่อไร่แจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นแหละรู้ทุกข์ลาสมูไทยเกิดมรรคเมื่อไร่เกิดมรรคเมื่อนั้นแหละรู้ทุกข์ลาสมูไทยแจ้งนิโรธนะนธรรมะนะสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมเลยอยู่ที่เราภาวนา เอาให้เห็นจริงให้ได้นะให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่ยังมีศรัทธาสนใจจะศึกษาพระศาสนายังมีโอกาสได้ศึกษาพระศาสนารู้วิธีรู้วิธีแล้วต้องทาเอาเองไม่มีใครมาบรรลุมากผลแทนเราได้นะต้องเอาเองทำเอาเองสู้เอานะวันนี้เทศดูเดือดหน่อยเพราะมีคนเก่งๆมานั่งฟัง อ้าเชิญส่งกันบ้านเรียนมัศคารค่ะหลวงพ่อจิตเป็นยังไงอตอนตะกี้ตื่นเต้นเอาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหมอนรู้ตัวดีไหมเออเฉยเท่าะอะไรเฉยเองหรือบังคับให้เฉยบังคับครัเออต้องอย่างนี้สิหัดรู้สภาวะอย่างนี้แหละะรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่นะแล้วไงอีกจะมีปัญหาอะไร รู้ทันสภาวะแล้วก็รู้ไปเรื่อยจะเห็นเลสภาวะมีแต่กเกิดแล้วก็ดับบังคับก็อยู่ชั่วคราวใช่ั้มสบายก็ชั่วคราวทุก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวเรียนลงไปเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนี่นะ <c oughs> ก็แค่นั้นเองเอา้าว่านขอบคุณค่ะอา้าวตายเชิญ วันนี้รู้สึกจิตจะตั้งมั่นกว่าเมื่อวานนะคะตอนเช้า แ, แต่ว่ารู้สึกจะมีง่วงง่วงมัวมั ว, ว ถ, ถูกใช้ได้ <laughs> แต่ตอนช่วงหลังทานอาหารรู้สึกจะมีกดกดใช่ไหมคะใช่พอจะส่งกันบ้าน <c oughs> <c oughs> ใจมันคิดล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาส่งนาอะไ <c oughs> อ่างเง้ยนะไรก ด, <c oughs> ก, ดกดเอาไว้อ่าค่ะหลวงพ่อก็ทุกครั้งที่จะส่งกันบ้านก็จะเห็นตัวปลอมขึ้นมาเออดี แต่ว่ามันมันก็ไม่เห็นแล้วมันคงไม่เป็นกามันก็เลยไม่ไม่หายไปอะคะ่ะอืมไม่ได้ฝึกให้หายนะฝึกให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราเหรอกค่ะก็บางแว บ, บก็เห็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันอย่างเ <c oughs> มื่อวานถึงวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าทำอะไรก็มีโทสะเพราะว่ามันร่างกายนี้อืม <c oughs> แต่ว่ามันห้ามไม่ได้นะคะห้ามไม่ได้เพราะมันยังเห็นกายนี้เป็นของดีของวิเศษอยู่ เนี่ยออถ้าปัญญามันแก่รอบนะกายนี้มีแต่ทุกข์มันจะไม่รักแล้วนะก็หนูก็จะดูมันไปอย่างเงี้ยค่ ะ, คะแต่ดูไปนะยัเห็นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรไม่น่ารักกายนี่ไม่น่ารักใจนี่ก็ไม่น่ารักมีแต่ของแปลกปรวนนะ เ, เชิญส่งกันบ้านซิกนี้ก่อนคนในเห็นว่าจําเป็นนะขอว่าเห็นว่าจําเป็นจริงๆนะไม่ใช่มาทุกครั้งต้อง ย, ยกทุกทีนะ คนไหนเห็นว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องการให้หลวงพ่อคุยด้วยร้อยเจ็ดอ่าเชิญมหัศการครับหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วครับทีนี้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นครับบางครั้งก็สงสัยอะไรบาก็เห็จิตบางครั้งก็เห็นภาวนาถูกแล้วแต่มันไอ้ค่ายมันติดขัดอ่อนแรงไปครับอ่อนแรงเหรอหอมแรงก็ทําความสงบเข้ามา ทำใพอทำมันก็ไปติดเพ่งนะครับอย่าไปกลัวคนติดเพ่งเนี่ยมันเพ่งแล้วไม่รู้ว่าเพ่งหรือเพ่งแล้วยินดีพอใจที่เพ่งถึงจะติดนะครับผมแต่อย่าเพ่งแรงเคล็ดลับของการทําความสงบคืออยู่ที่สบายครับหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายใจเห็นร่างกายเพ่งมาตั้ง14ปีครับเออไม่ติดแล้วไม่กลัวแล้วนะรู้จักติดรู้จักเพ่งแล้วไม่เป็นไรแล้วรู้จักเพ่งรู้จักเผลอใช่ไหมครับผม เราไม่ทิ้งสมถะนะครับพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาเนี่ยไม่กลัวสมถนะละเราข อ, รรขอกันบ้านเลยเรครับหลวงพ่อเราทำความสงบเข้ามาพจิตใจมีแรงชุ่มชื่นเบิกบานแล้วแยกทาดแยกขันต์ต่อไปเนี่ยใจมันบุบึรู้สึกไหมครับบางครั้งก็รู้ครับเนยรู้อ่ ใชฝึกใช่ฝึกใช้ได้นะใจมันตื่นแล้วร้อยหกสิบห้ามาจากไหนให้คุณอ่ะเออภาวนาดีนะอยากขี้เกียจ น, นะไปทำความสงบมาพอใจสบายไม่ไปเพ่งเอาไม่เพ่งให้นิ่งนะอย่างรู้ลมหายใจก็รู้ไปสบายนะใจมันสงบของมันเองสงบแล้วตั้งมั่นแล้วมาดูกายดูใจแยกธาตุแยกขันต์ต่อไป าการในราชกาหลวงพ่อค่ะเตอนนี้รู้สึกว่ากดกดแล้วก็มีสภาวะที่วิกจากความกังวล น, นะคะที่อยากจะมาส่งกันบ้านของหลวงพ่อโธ่น่าสงสารส่งกันบ้านก็กังวลห้ามไม่ได้จริงๆค่ะมันโดดเด่นมากสำหรับสภาวะตัวนี้เออดีแล้วที่รู้ห้ามไม่ได้เลยว่านักตาแล้วก็เน่ย ระหว่างที่ปฏิบัตเิเต็มรูปแบบอยู่ที่บ้านนะคะเวลาที่เราเที่หนูเดินจงกรมเนี่ยก็จะมีความสุขว่าออชอบติดเพ่งพอรู้สภาวะตัวเพ่งนะมันก็จะมีตัวภาคขยายการการคิดของเราออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะตัวภาคไม่เป็นไรนะถ้ามันภาคนิดหน่อยแค่ว่าอ้าวโกรธอีกแล้วโมโหอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าไปช่วยมันคิดเนี่ยไม่ดี ก็พยายามที่เพยายามรู้อยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วก็เพอเรารู้สึกว่าให้กันบ้านนะค่ะไปดูเราขี้โมโหโทรศัพท์เกิดไปโทรศัพท์เกิดแวบคอยรู้ทันรู้ทันเรื่อยๆนะอีกอันนี้ก็อตัวหน artists, ึ is is ่งที่แรงเหมือนกันนะคะแรงไปดูนะกับน้ำสกัดเอาตัวที่มันแรงๆนี่แหละดูง่ายดีเราไม่ได้ฝึกให้หายโมโหแต่เราจะฝึกให้เห็นเลยจิตจะโมโหมันโมโหเองนะ พอรู้ทันมันก็รู้ทันเองรู้ทันแล้วมันดับมันก็ดับของมันเองนะทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดูเพื่อให้เห็นแค่นี้ไม่ใช่ดูเอาดีอะไรหรอกเบอร์ร้อยแปสิบเจดนภัสการหลวงพ่อครับขอการบ้านครับว่ามาหลังๆก็เห็นอย่างสภาวะสงสัยเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้ว่าจิตมันดิ้ลมมันอยากรู้มันก็สับสนนะหรอขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ก็ ก็ดีมีกดนิดนิดออบโจทย์คบจิตถึงฐานไหมอ่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับไม่ถึงนะรู้จักจิตที่ถึงฐานไหมอ่ารู้จักจิตที่ไหลไหมรู้ยังขนาดนี้ไหลดูออกไหมครับนะไหลไหลยังไงล่ะครับหลวงพ่ออย่างไหลมาที่หลวงพ่ออย่างเงี้ยครับใช่หรือไหลไปคิดครับสลับไปสลับมาจิตตัวนี้มันทิ้งฐานไปมันทิ้งบ้านแล้วแล้วต้องทําไงครับให้รู้ทัน ถ้ารู้ทันว่าจิตหลงไปนะจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาครับเนีให้รู้บ่อยๆว่าจิตไหลไปไหลอีกแล้วรู้สึกไหมขออีกตัวอย่างครับเอาอีกตัวอย่างนะเนี่ยไปละไปตึกครับครับเนี่ยให้รู้ทันอีกนิดนะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเอาอีกทีเนี่ยไปอีกรูปหนึ่งแล้วรู้สึกไหมแต่แต่ก็เหมือนกับว่ามันยังรู้อยู่แต่รู้ว่ามันไปแล้มันรู้แต่พลัมลงไปรู้ มันถลําลงไปรู้รจิตเป็นเคลื่อนไปตัวรู้เนี่ยไหลเพื่อไป <นะ S 2> ไหลเข้าข้างในก็หลงแล้วนะก็ไหลละค <préc ision S 1> าว่าจิตออกนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตเข้าข้างในจิตส่งออกนอกหลวงปู่โดนบอกอย่าส่งออกนอกไม่ได้บอกว่าให้ส่งเข้าข้างในนะส่งเข้าข้างในก็ออกนอกเหมือนกันออกนอกจากรู้อย่างนี้ไปละรู้สึกไหมเอาเก้าสิบสามขอบคุณครับโน่นนั่งเต่าย์ ขับรัศการค่ะคืออยากถามภาวะของตัวเองเมื่อตอนปลายปีสองนห้าอห้าหนึ่งนะคะกำลังขับรถอยู่เนี่ยทำไมโยมถามย้อนหลังนานนันอะ <c oughs> สงสัยนะคะโอสงสัยล้วดูปัจจุบันสิกำลังสงสัย ค, นะคือคือจิตคือรู้สึกว่าจิตตัวเองเนี่ยไอ้ความหนักหน่วงในจิตเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วมันเกิดจิตของแผ้วขึ้นมาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นมารู้สึกว่าใจตัวเองเปิด แล้วฟังธรรมะอะไรก็ค่อยๆข้างนอกนี้ค้าเข้าใจะค่ะอืมดีสออิอันนี้เป็นยังไงคะไม่เปลียนอะไรดีแล้วแต่ตอนเนี้จิตกระจายออกข้างนอกรู้สึกไหมค่ะถ้าอย่างนี้สบายแต่สบายอย่างนี้จะไม่เดินตัญญาเพราะมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจรู้สึกไหมค่ะนะโยมพยายามย้อนมารู้สึกในใกายรู้สึกในใจบ่อยๆนะคือได้เดินตัญญาแล้วแล้วอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อ วิสาขาที่ผ่านมานะคะระหว่างที่นั่งนั่งรับศีลก่อนที่จะเวียนเทียนนะคะรู้สึกว่าปวดขาอแล้วพ อ, พอมองไปที่ที่ตรงที่ปวดเนี่ยรู้สึกว่าความปวดเนี่ยมันอยู่ใต้ขาเราเอออันนี้เป็นการแยกขันหรือเปล่าคะใช่เห็นไหมขะ ข, า ก, ข, า, ขาก็ส่วนหนึ่งนะความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นไหมความคิดนึกก็ไปอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะนั่นแหละหัดแยกไปแล้วแต่ละขันจะไม่มีตัวเรา ดีขอบคุณอย่างนี้สิค่อยน่าฟังเลยเมื่อสเมื่อรสามการรวัตการหลวงพ่อครับรู้รูรูรูรูรนามครับผมอย่างหูได้ยินแล้วรู้สึกงุดหงิดจมูกได้กลิ่นแล้วหิวแต่ว่ามันเกิดในเวลาเหมือนเวลาเดียวกันนะครับมันไม่เดียวกันอะมันต่อกันอย่างรวดเร็วนะมันต่องเรื่องกันอย่างรวดเร็วในขณะที่จมูกได้กลิ่นเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่ากลิ่นอะไร นะต่อมามันมีดีเลย์ไทม์นิดนึงนะมันถึงรู้ว่าโอ๊ยนี่กลิ่นไข่เจียวนะสมมตินะพอกลิ่นไข่เจียวปุ๊บยังมีดีเลย์ไทม์อีกนิดนึงนะมันเกิดชอบขึ้นมามันเคยชอบไข่เจียวใจมีราคะเกิดขึ้นนะคนละขนาดกันแต่ว่าตอนนี้เรายังสติเรายังไม่ไวเราก็จะเลยรู้สึกว่าเกิดทีเดียวกันนะ<ร>ต่อไปจะเห็นว่าเี็นคนลันเรารู้สึกไปทั่วเลยครับดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะใจเริ่มตื่นแล้ว มาเข้าคอร์สเขาหรือเปล่าจาก a อเ r ี Soft ครับออแล้วเคยฟังหลวงพ่อไฟังครับผมใช้ได้แล้วนะใจมันตื่นแล้วคขอบพระคุณครับใจมันตื่นแล้วก็เคยดูไปนะดูเขาทำงานไปด้วยเบอร์ป8ปค่ะกราบในมรดกการหลวงพ่อนะคะก็เป็นผู้เพิ่งเริ่มต้นนะคะมากับบริษัทเหมือนกันนะคะครั้งแรกที่เข้าคอร์สครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จเจริญภาวนานะคะ ก็รู้สึกสงสยัยเคยฟังซีดีพระอาจารย์ก็ตอนก่อนที่จะมาเนี่ยแหละค่ะ mm hmm. อาทิตย์เดียวนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าน่าจะทำได้ด้วยนะคะมีความมั่นใจแล้วเวลามาเข้าคอร์สหลังจากที่ฟังพระอาจารย์เทศแล้วก็กลับไปฝึกกับพี่เลี้ยงนะคะก็พยายามทำทีนี้ก็มีเจอไม่คิดว่าจะได้ส่งกันบ้านน ะ, นะคะคือได้เจอเหตุการณ์อันหนึง่งก็คือเมื่อเชา้านี้ก็พยายามอยากจะตั้งใจทำนะคะตื่นเช้ามา ก็เดินจงกรมระหว่างรอเข้าห้องน้ํานะคะระหว่างเดินเนี่ยใจก็คิดถึงคือนึกถึงคําพูดของพี่เลี้ยงที่บอกว่าพวกเราโชคดีที่มีโอกาสได้มาวันนี้นะคะใจะรู้ว่าตัวเองคิดไปอะคะ่ะแล้วก็นึกถึงพี่คนนึงที่ออฟฟิศว่าอยากให้เขามาด้วยในขณะที่เดินอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นสภาพดูดจิตใช่ไหมคะคิดถึงคนที่ทํางาน ใช่ค่ะคให้รู้ทันว่าจิตแอบไปคิด<ะ>นะตรงนั้นตอนระหว่างเดินก็รู้แล้วก็กลับมาเดินต่อถ้ า, นานรู้ถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยใช้ได้นะแต่ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยหลงไปอืมค่ะก็เลยสงสัยว่าลักษณะนี้ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์ดูความรู้สึกลงปัจจุบันสดสดร้อนรเลยน ะ, ะอย่างเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินไปจิตนี้ไปคิดหรือว่าจิตนี้ไปคิดแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้ <ง>พอไปคิดเสร็จแล้วก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะถูกหรือไม่ถูกนะรู้ว่ากําลังสงสัยอย่างนี้ก็ใช้ได้รู้สึกสงสัยขึ้ น, นามาค่ะแล้วเห็นความรู้สึกสงสัยไหมรู้ค่ะเห็นความรู้สึกสงสัยคงที่ไหมดูไปไม่คงที่ค่ะรู้สึกสงสัยแป๊บนึงแล้วก็ต่อแล้วมันก็หายไปพอหายไปเรา ค, pounds, คิดใหม่ก็สงสัยใหม่ใช่ไมใช่ค่ะมันต้องตามหลังความคิดใหม่จ ร, e? จริงหัดดูสภาวะอย่างนั้นแหละ thatís, อะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ ร, ร, รู้ไปเรื่อยๆนะ อยากให้พระอาจารย์แนะนํานิดนึงอะคะ่ะเนื่องจากว่ารู้สึกเป็นคนที่คิดมากนะคะในหัวสมองมีแต่ความคิดเยอะๆไปหมดเลยก็อาชีพเราก็ต้องคิดนะค่ะก็เลยคิดว่าเคยพี่เลี้ยงแนะนําว่าให้ดูลมหายใจหลายวิธีนะคะวันแรกก็ลองฝึกดูปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะเลยก็เลยมาเดินจงกร ม, มไม่ทราบพระอาจารย์คิดว่าเหมาะไหมคะเราต้องรู้ด้วยตัวเองนะเดินจงกรมแล้วสติเกิดก็ใช้ได้แหลนะค่ะเมื่อกี้พยักหน้าทราบไหม ไม่รู้ตัวค่ะเห็นปากเรายิ้มไหมรู้สึกว่าตัวเองดีจเห็นไหมขยักหน้าเห็นไหมเห็นค่ะเนี่ยรู้สึกตัวนะแต่ไม่เพ่งไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่เพ่งเลยนะขยักหน้าแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอค่ะรู้สึกไปสบายๆเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูฝึกนี้บ่อยๆนะของคุณค่ะนะไม่ได้ฉีกตัวเองหลุดออกมาจากโลกของความคิดถ้าไปดูจิตนี่จะไปเรียบยิ่งเป็นคนกว่าข้างในยุ่งมากกว่าเก่าอีกนะ รู้สึกกายไปเห็นร่างกายถูกรู้ถูกดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวมจะจิตจะค่อยๆขึ้นมาให้ดูนะดูไปจากกายนะเดินจงกรมไปหรือไปกวาดบ้านหรือไปทํางานอะไรก็ได้ก็เห็นร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปสบายๆไม่ไปเพ่งให้ทื่อๆอย่างเงี้ยทื่อๆอย่างงี้ไม่เอาสบายๆของคุณเริ่มจากกายนะเราจะเห็นจิตชัด44 นมัสการหลวงพ่อไม่ส่งกั น, กนบ้านหลวงพ่อประมาณ6เดือนแล้วค่ะออคือช่วงเนี้ปฏิบัติในรูปแบบก็คือนั่งสมาธิฟังเียหลวงพ่อบ้างอะไรเนี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองติดนิ่งรู้สึกว่าอยู่อย่างอยู่นิ่งๆแล้วมันมีความสุขอะค่ะแล้วพะ อ, อิญพอมีภาษาเข้ามาแรงๆมันจะมันจะกระเทือนกระเทือนแรงอะค่ะหลวงพ่อก็เลยไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรเดีย่ะง่ายนิดเดียวนะพอนิ่งแล้วเกิดความยินดีพอใจให้รู้ทันความยินดีพอใจนี้ แล้วจะไม่ติดนิ่งที่เราไปติดในสภาวะอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะสองช้อยนะอันหนึ่งไม่รู้ว่าติดอยู่นะอันที่สองยินดีพอใจอยู่อย่างตอนนี้มันเป็นนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งอยู่เรียกว่ารู้ทันแล้วทำไมมันนิ่งได้เพราะมันยินดีพอใจนะถ้ารู้ทันความยินดีพอใจตัณหาตัวนี้ดับไปพบก็ไม่มีจิตก็ไม่ไปติดนิ่งขอบคุณค่ะร์ส่สิบหนึ่ง กลาบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านค่ะออช่วงนี้เริ่มเห็นจิตมันเกิดดับทางอายตนะต่างๆค่ะแล้วก็สังเกตว่ามีจิตไปรู้อริยาบทต่างๆค่ะดีแล้วก็มีประคองนิดๆแต่รู้สึกว่าเหมือนต้องอาศัยประคองนิดๆไปก่อนหรือเปล่าคะได้ได้ประคองเรารู้ว่าประคองนะ<ค>เบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนน<ค>ั่นแหละนะมันยังไม่อัตโนมัติเนี่ยถูกต้องละค่ะ แล้วก็บางทีรู้สึกว่าเหมือนอยากจะให้จิตมันแล่นออกจากกายอะคะ่ะมันเหมือนติดกายอยู่มันมันคงไปได้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยว <c oughs> ให้รู้ทันมันจะให้มันแล่นไปไหนล่ะเหมือนแบบอยากไปอีกที่หนึ่งเนะะี้ยค่ะเหมือนก็ติดติดกายอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> มันต้องอาศัยเดินทางนั่งรถไปนะคะอ๋อเวรกรรม บางคนนะมันกลัวจิตจะออกจากกายแล้วไม่กลับมาด้วยซ้ำไปใจเย็นๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ไปค่ะขอบพระคุณค่ะติดตรงไหนอีกไหมคะหลวงพ่อดูลงปัจจุบันไปนะที่ฝึกใช้ได้นะทำให้สม่าเสมอมีรูปแบบไหมมีสลับสลับกันไปค่ะน่าทำนะทำในรูปแบบจะทำให้จิตมีกำลังถ้าจิตมีแรงแล้วจะมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มากถ้าสมาธิเราไม่พอนะ รรู้้ไไม่ไดจิงอก็เพิ่มสมาธิหน่อยใช่ไหมคะก็ทําไปเรื่อยๆทุกวันะนะแบ่งเวลาทําความสงบใจบ้างนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันนี้มันสงบของมันเองอะค่ะนะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับหายใจก็ได้พุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตอะไรเงี้ยนะคอยรู้ทันจิตไปจิตจะสงบร้อยห้าสิบหนึ่งขคุณค่ะอยู่นดนู่เสื้อสีส้มนมัสการพระอาจารย์นะครับ เพิ่มเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาที่ถูกต้องหรือเปล่าคือจะเริ่มด้วยการนิ่งยกลงยงไม้นิ่เหรอเพราไม่ได้ยินอ่ะยกไม่จ่อปากเลยครับเออก็ลืมปฏิบัตินนได้ไม่นานไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าลืมด้วยการรู้กายรู้ใจนิ่งแล้วอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนมากําหนดลมหายใจแล้วก็ตั้งจิตไปว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป จิตจะอยู่นิ่งได้มีความสุขแต่ไม่ทราบว่าขั้นต่อไปยังทํายังไง<ม>อันนั้นได้สมาธิแล้วนะต่อไปก็ทําแบบนั้นอนะ่ะจิตก็สงบจิตตั้งมั่นลนะพอจิตตั้งมั่นแล้วค่อยๆสังเกตร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าร่างกายที่กําลังนั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นคนละอันกับจิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้หาหัดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในกายก็อยู่ส่วนหนึ่ง จิตไปอยู่อีกส่วนหนึ่งบางทีความสุขความทุกข์ก็แทรกเข้ามาในจิตนะ mm hmm. ก็เป็นคนละส่วนกับจิตอีกนะแล้วความโกรธความโลภความหลงอะไรก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิต mm hmm. จะค่อยๆแยกแยกไปนะหัดแยกขันไปเรื่อยๆนะทำความสงบอย่างที่ว่าแหละนะนะ mm hmm. ทําอย่างที่เคยทํานี่แหละพอจิตสงบแล้วก็มาดูเห็นร่างกายเนี่ยของถูกรู้ถูกดูนะฝึกอย่างนี้แปดหนึ่งคือหลวงพ่อไม่สนับสนุนให้สงบแล้วเฉวยอยู่นะ เพราะว่าชีวิตเราสั้นถ้าสงบแล้วเฉยอยู่นะเสียเวลาภาวนาเอาสงบพอจิตใจมีกำลังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วรีบเดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปเลยนะแต่แยกธาตุแยกขัน์ไปช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องอีกแล้วกลับมาทำความสงบใหม่นะเราจะไปอย่างนี้จะไปได้เร็วเอาเชิญกลับนะมันสการค่ะหลวงพ่อรายงานการภาวานาในรอบเจเดือนนะคะเออเริ่มจาก ลูกเริ่มรักษาวินัยในการทำในรูปแบบได้เป็นประจำทุกวันจะเดินดสลับนั่งนะคะเวลานั่งเนี่ยทุกวันนี้ก็จะตามลมหายใจแล้วบางทีก็จะเห็นการขาดหรือหลับดับลงของอะไรก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็พอตามลมาหายใจเนี่ยก็พบว่าลมาหายใจเนี่ย ม, มันมีขาดเป็นช่วงๆ ม, มีช่องว่างขั้นอยู่บางทีตามลงไปมันก็แวบลงไปแล้วมันก็ตามลมต่ออย่างนี้ค่ะ แต่ว่าลูกสังเกตว่าการจเจริญสติในชีวิตประจาวันเนี่ยไม่แน่ใจว่าลูกสังเกตถูกหรือเปล่าว่ายังไม่ได้ต่อเนื่องมากลูกควณจะใส่ใจที่จะรู้สึกตัวมากกว่านี้ไหมใช่นะตอนอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่รู้ตัวให้กระชับกระเฉงกว่านี้ค่ะแล้วก็มันเนื่อยๆไปค่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งค่ะหลวงพ่อภาวนา ม, มาเรื่อยๆระยะหลังเนี่ย มันจะมีกุกกุจัถึงความไม่ดีในอดีตที่เราทําไปแล้วมันก็อย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็นํามาเยอะมากบางทีก็รู้จักเนค่ะเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่คิดซ้ําค่ะก็ให้รู้ทันบางทีมันก็กลัวค่ะหลวงพ่อว่าเราจะพาวนาขึ้นไหมกลัวแล้วรู้ลงปัจจุบันว่ากลัวคะกุกขจัก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งมีค่าเท่าๆกับกิเลสตัวอื่นนั่นแหละก็แค่รู้นะรู้ทันมันแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วแล้วจําได้ว่าทําไม่ดีกับพ่อไว้อย่างนี้ยค่ะก็ทําภาวนานะได้บุญได้กุศลอุทิศให้พ่อไปค่ะก็สุดท้ายก็อีกไม่กี่วันจะวันเกิดแล้วก็จะขอโอกาสนี้กราบขอบคุณแล้วก็ขอโอกาสขอเข้ามาหลวงพ่อหากมีสิ่งใดพลาดพังรุ่งเกินไปด้วยนอย่าลืมนะวันเกิดอย่าลืมแม่ค่ะแม่มาด้วยค่ะอยู่ข้างๆหรอค่ะแม่วันนี้มาแม่ภาวนาไหม แม่เริ่มทําทานแล้วค่ะเริ่มมีใจที่อยากจะมากับหนูมาทําทานกับหลวงพ่อแต่ภาวนายังไม่ได้เริ่มนะคะดีนะโมทนามาวัดแหละดีเรื่องอหลนแม่รู้ขอบคุณหลวงพ่อที่สั่งสองลูกเต้าไล่เป็นคนดีขอบคุณนะคะเออนะดีนี่หลานๆก็มาค่ะอ้าวร้อนึกว่าหลานคนเดียวนี่พาอหลานๆเลยเอาร้อยสา นวลอยู่ข้างหลังเลยกับนมัตการหลวงพ่อค่ะคือหนูคือว่าหนตูตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นธรรมดาใคร ค, คุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นแนหะหนูขอลําเรยงลําดับคําพูดก่อนนะคะคือห<ะ>นูจะตั้งจิตอตั้งจิตไว้ว่า การทํางานของหนูวันหนึ่งหนูจะนับลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คือหนึ่งหนูจะตั้งไว้ประมาณ50ครั้งแต่ถ้าเกิดหนูเผลอหนูก็จะมานับใหม่หนูอยากทราบว่าถ้าเกิดหนูเผลอไปอย่างนี้แล้วกลับมานับใหม่มันคือการเพ่งมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเราตั้งใจไว้เราก็ทําไปเรื่อยแต่ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเครียดนะพยายามเพ่อใหม่ๆฮะอย่ากล <ขอ S 1> ัว<อ>เลยอย่าไปกลัวมันสิ หนูกลัวว่าหนูจะเครียดเกินไปอะคะ่ะก็สังเกตใจอย่าให้มันเครียดล่คะคแล้วหนูได้อ่านหนังสือของหลวงปู่ดุลหลวงปู่บอกว่าการภาวนาอย่าส่งจิตออกนอกนั่นหมายถึงอะไรการเพริเจอร์หรือว่าการมองเห็นภาพต่างๆไม่ใช่ตาต้องมองเห็นหูต้องได้ยินใจต้องคิดแต่คิดแล้วอย่าลืมตัวเองลืมหมายถึงอะไรคะเอาง้ง่ายๆเลยนะเมื่อตาเรามองเห็นเนี่ย ความรู้สึกจะเกิดที่ใจเช่นเห็นคนนี้เร า, เราดีใจเห็นคนนี้เราเกลียดนี่ยพอความรู้สึกเกิดนะหนูรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเวลาเห็ magic, นกับข้าวหลายอย่างเห็นอาหารหลายอย่างอย่างนี้ชอบใจมันชอบรู้ทันว่าใจชอบอีนี้ใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบค่ <c oughs> นะได้ยินเสียงอย่างนี้เสียงนี้เพราะถูกใจยินดีพอใจรู้ว่าพอใจค่ะ <c oughs> เสียงนี้เขาดา่าเราโมโหแล้วรู้ว่าโมโหนะหนูค่อยดูใจอย่างนี้บ่อยๆถ้าเมื่อไรลืมดูใจก็เรียกออกนอกหมดเลย ขอบคุณมากค่ะทางนี้บ้างทีนี้นี้บ้าง175หากับนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกะคะ่ะได้ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วประมาณ 3-4 สเดือนแต่มีเรื่องสงสัยนิดนึงค่ะว่าเวลาที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยปกติไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบนั่งสมาธิะคะ่ะชอบหรือเปล่านะ ไม่ชอบไม่ชอบค่ะแล้วก็นั่งก็จะไม่ทนแล้วเวลาบางครั้งที่เรานั่งบางทีตอนที่เราภาวนาเนี่ยเรานั่งสมาธิไปส่วนใหญ่ตัวจะโยกโคลนองนเงีนไปโงนมารู้ตัวว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเข้ามานั่งก็คือว่าได้ยินหมดพอดีว่าลูกสาวทักว่าคุณแม่ตัวแบบจะล้มแล้วพอดีก็สะดุ้งสะดุ้งออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าเตัองเป็นคนโมโหค่อนข้างง่ายแล้วก็ แต่ว่าจะหายเร็วอะค่ะไม่ทราบจะต้องปฏิบัติเจาเมื่อก่อน่เพงเอาไว้มันก็เลยไม่โมโหเพราะเราไม่บังคับตัวเองเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติก็โมโหแต่ว่าการที่เราคอยรู้บ่อยๆก็หายไปเร็วกิเลสจะเกิดนะเกิดถี่ขึ้นมาแต่ว่าเกิดไม่นานหาเครื่องอยู่ไว้สักนันสินะอยู่กับพุทโธได้ไหมได้ค่ะลองดูนะถ้าอึดอัดก็หาอย่างอื่นนะ หากเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธไปจิตไปคิดแล้วรู้พุโทโธพุทโธจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตโลภจิต onia, โกรธจิตหลงอะไรคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยมีพุโทโธเป็นพื้นพื้นไหมร้อยห้าสิบหกกับนมัส ก, การหลวงพ่อครับได้ได้ภาวนาไประยะหนึ่งเราเห็นร่างกายตัวเองได้เห็นความ โกรของตัวเองได้เห็นตัณหาของตัวเองแล้วก็ได้เห็นจิตดวงหนึ่งที่มองเห็นทั้งสองกรณีอยู่แล้วก็ยังได้เห็นจิตอีกดวงหนึ่งที่มองเห็นจิตดวงแรกนี้อยู่เถิกตังแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติแบบนี้ให้เห็นเนืองๆในลักษณะของชีวิตประจำวับบนด้วหรือเปล่าครับทำได้ยิ่งดีที่สุดเลยนะ แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยมันจะไม่เห็นแต่ว่าทํางานไปช่วงหนึ่งนะขี้เกียจขึ้นมาเรารู้ว่าขี้เกียจอย่างเงี้ยดีทําแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อนะคนเขาชมเมื่องานเราดีดีใจรู้ว่าดีใจแต่เวลาที่ตั้งใจทํางานเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกพยายามฝึกในชีวิตประจำวันด้วยนะที่คุณพูดมานะั้นใช้ได้ทั้งนั้นเลยครั บ, รบแล้วเภาวะแบบนี้เราเราจะบังคับให้มันเกิดบ่อยๆไม่ได้ไไดใช่ไหมไ<ช>ครับมันเกิดดับอยู่แล้วตลอดเวลา นะมันเป็นอยู่แล้วเราแค่ไปเห็นมันเข้าใช่นะใ ช, ใช่มันอยู่ดี ม, มันเห็นเห็นเอง <hum> เห็นเองนันหัดรู้ไปด้วยนะจะเห็นมีสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา<อ>ถึงถวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิน้นถ้าเมื่อไรปัญญาเกิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาในะจยอมรับความจริงตรงนี้ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยอย่างเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะใจไม่ทุรนทุรายใจรู้ว่าไม่นานก็หายไป ความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงระเริงรู้ว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนั้นชีวิตเรานะจะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเหมือนทุกวันนี้หรอกใจเราจะสงบสันตินะไม่ใช่มีอะไรดีๆมาก็หลงระเริงมีอะไรร้ายๆมาก็หดหูเศร้าใจใจไม่ไม่เป็นปกตินะฝึกไปเรื่อยใจเราจะเป็นปกติปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆดีแต่ปฏิบัติเอา น, นะข อ, ขอบคุณครับ เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้สงบเพื่อสุขเพื่อดีแต่เราปฏิบัติจนเห็นว่าทุกอย่างนะั้นมันชั่วคราวนะถ้าใจยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวคราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะไม่หวั่นไหวและเมื่อวานนี้ก็มีคนมาเล่าว่าโดนวางเพลิงนี่ไม่ไฟไหม้ที่จลาชนนะียังไม่สติแตกเนี่ยบอถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะคงทนไม่ไหวนี้เขาศึกษาธรรมะก็ เ, เห็นธรรมตามป็นเสียไปแล้วเดี๋ยวเข ห, หาเอาใหม่ นี่ธรรมะช่วยเราเวลามันขับขันอย่างนี้นะหกสิบหกกาบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับก็เริ่มฟังซีหลวงพ่อได้ตอนต้นปีอะครับออืก็ช่วงแรกที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่ามีสติเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าสองเดือนที่ผ่านมานี่เริ่มรู้สึกว่ารู้สึกตัวน้อยลงเอ่าต้องต้องช่วยมันล้ววิธีช่วยมันคือทําในรูปแบบนะครับแบ่งเวลาไว้ทุกวันเลยเริ่มต้นวันหนึ่งสิบนาที ไหพราสวดมนต์ไปพุทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจของเรานะแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะครับก็พอดีเดี๋ยวกําลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับเออลยอยากจะขอคําแนะนำไ ว, ว, ว้ว่าเงารูาว้ว่าเงาเบื่อรั้วเบื่อกลัวรู้วกลั ว, ล ว, ลวนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้แหละครับผมถ้าอยู่กับปัจจุบันนะัจะไม่รู้สึกว่าไปนานหรอกครับนะอย่างพวกเรานะไปหายมาลาไปเรียนหนังสือนะ2ปี3ปีอะไรหายไปนานกลับมานะ เรายัางนึกไม่ออกเลยว่าคนที่หายไปนานแล้วมาบอกเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยู่กับปัจจุบันได้นะไม่ไม่ยาวนานนะขอบคุณครับไปเรียนประเทศอะไรอ่ะฟินแลนด์ครับเออไม่เท่าไหร่เรียนญี่ปุ่นน่น่าสงสารมากเลยคนญี่ปุ่นเป็นโรคฮิชิโคมอริเยอะเงห้าสิบสองเชิญครมรมสการ์หลวงพ่อครับ ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเจออารมณ์ความทุกข์ความส่วนใหญ่ความเบือ่อความเศร้าความกลัวความเคว้งคว้างอะไรครับโดยเฉพาะเวลานั่งนั่งก็จะเจอคิดสลับรู้สลับฟุ้งสลับเรื่องอะไรต่างๆครับยมทําสมถะได้บ้างไหมครับนะครับคือแต่สภาวะตอนนี้ใจมันไม่มีแรงครับถ้าทําความสงบได้นะกลับมารู้ใหม่เนะี่ยก็จะผ่านไปได้ ครับสงบนี่คือเราเรานั่งพ่องยุบหรือว่าหรือว่าดูจิตไปด้วยได้ได้นั่งพ่องยุบไปนะให้ใจสบายให้ใจได้พักผ่อนบ้างนะพอครับใจได้พักผ่อนใจมีเรี่ยวมีแรงกลับมาดูใหม่นะมันจะวางอารมณ์ได้เร็วตอนนี้ไปดูแล้วอารมณ์มันเคล้าอยู่กับใจมันไม่ยอมวางครับครับเพราใจเราไม่มีแรงนะครับงั้นเพิ่มความสงบขึ้นนิดหนึ่งพอจิตมันรู้ว่าเศร้าเบื่ออะไรขึ้นมาน้ําจะขาดกระเด็นออกไปเลย ครับครับแล้วอยากจะถามแนวทางคือตอนนี้อารมณ์เบื่อแล้วก็ความกระตือหรือล้นในงานความรับผิดชอบอะไรเหมือนเราอยากจะหยุดพักไม่อยากไม่ได้นะอันนั้นมันเป็นความเฉ่อยครับขี้เกียจขี้คลานไม่รับผิดชอบอะไรนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะนักปฏิบัติจริงๆนะรับผิดชอบสูงนะเหมือนก้าเรากระตือหรือล้นอารมณ์ก็จะเยอะขึ้นเราก็จะยึดมันอะไรเยอะขึ้นกระตือหรือล้นในการทํางานทําไปนะไม่ได้ทําเพราะอารมณ์นะ รูทันมันไปแล้วมีหน้าที่ก็ตั้งอกตั้งใจทํามันไปมีความสุขในการทํางานของเราไปคือเรารไปเรารู้จักโมดิฟเนี่ยเฉพาะฝ่ายต้องเป็นกิเลสมอดิฟที่เป็นทางดีก็มีนะอย่างเรา อ, อยากทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมอยากอะไรเงี้ยมันก็ขยันทางานไม่ช่วยหรอกนักปฏิบัติไม่ช่วยนะอ๋อครับครับเดี๋ยวเราลองดูเออคอย ลองดูนะลองสู้ดูนะอย่าให้อารมณ์มันย้อมใจอารมณ์เบื่ออารมณ์ท้อแท้มันย้อมใจนะให้รู้ทันคุณไร่เก้าสิบหกการทำการหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็ความโกรดน้อยลงหายไปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไปเห็นตัวอื่นๆแต่ว่าเหมือนกับใจไม่ตั้งมั่นลงไปเคล้าตลอดเวลาโอ้ดี แล้วที่หลวงพ่อเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วแต่ใจนิ่งๆอย่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ว่ามันก็ลงไปเข้ากับอารมณ์อื่นอย่างอารมณ์มคล้ายๆกับอารมณ์ไม่สบายใจเราไม่ห้ามนะรเราแค่รู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้จิตไปเข้ากับอารมณ์ก็รู้ดูเขาทํางานไม่บังคับว่าจะต้องตั้งอยู่ได้ตลอดนิ่งๆตลอดถ้าไปพยายามให้นิ่งตลอดนะ่ะกลายเป็นเพ่งจิตไม่ดีเลยก็แล้วคือคิดว่าตัวเองไม่ตั้งมั่นก็เลยพยายามทําในรูปแบบ แต่คราวนี้พอทําในรูปแบบปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเรากระเจิดกระเจิงไม่เครียดไม่เพ่งมันก็ฟุ้งซ่านไปเลยครับทําอะไรล่รูปแบบอ๋อก็นั่งดูพุโทโธเข้าไปแต่จะดูได้ไม่นานเพราะว่าเหมือนกับเราลงไปหาอารมณ์มันจิตมันไปหาอารมณ์ใหม่เหมือนกับเราไปเพ่งจ้องอครับอ๋อเอางี้สิเราไม่ได้พุโทโธเพื่ออะไรหรอกพุโทโธเพื่อรู้ทันจิต พุทโทธแล้วจิตไปเพ่งก็รู้พุทโทธแล้วจิตไปหาอารมณ์ใหม่ๆก็รู้พุทโทธแล้วฟุ้งไปก็รู้พุทโธแล้วลืมไปเลยก็รู้นะพุทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตไหมไม่ใช่พุทโธทําอะไรหรอกเราพุทโธเวลาเครียดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตกําลังเครียดก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ได้จิตกำลังเครียดพุทโธไปเห็นจิตเครียดนะแล้วก็รู้ทันอยากหายเครียดและรู้ว่าอยากนี่ <Yeah. S 1> นะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆน อย่ามันเครียดมัน ไ, มได้เครียดอย่างเดียวนะพอเครียดแล้วมันก็ไม่ชอบใช่ไหมครัาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบเป็นอารมณ์ใหม่ครับนะคุณครับเอาส่งข้องมาข้างหน้ากราบธรรสการ์หลวงพ่อครับส่งกลันบ้านหลวงพ่อในรอบ1ปีครับช่วงหลังก็จะเห็นว่าตัวเองมีมณฑ์อาตาแรงครับเวลาที่คุยกับคนอื่นนะครับหรือฟังคนพูดครับมักจะแบบ มีจิตไปตัดเินเขาครับไปประเมินค่าเขาดีดีที่รู้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสังเกตว่าเวลาที่เรารับรู้ผ่านอวัตนะทั้งหครับมันจะเป็นการรู้ที่เจอด้วยความคิดะครับอืเห็นก็ก็ไปตีค่าแล้วครับคือไม่ได้เห็นเฉยๆครับใช่ดีแล้วก็บางครั้งเวลาภาวนาครับมันจะรู้สึกว่าจิตมันไม่มีที่จะหยังเท้าลงครับคือหยังไปตรงไหนก็รู้สึกว่ามันสุกไม่จริงครับเออนั่นแหละดีครับ <น>ถ้าฝึกเปนมากๆนะจะเป็นแก่รอบจริงๆรู้เลยว่ไม่มีที่ให้หยั่งเลยในสมโลกธาตุนี้ยมีแต่ทุกข์ล้นล้นเลยมาขอกันบ้านเพิ่มครับทำอย่างนี้แหละนะทำไปถึงเวลาทําความสงบบ้างทําได้บ้างไหมพอทําได้ครับนะคือเราต้องเบรกตัวเองเป็นช่วงๆจเจริญตัญญารวดไปเลยเดี๋ยวไม่มีแรงนะถ้วทําความสงบพอจิตใจสบายแล้วมาเดินปัญญาต่อไม่สงบนานนะ ร้อยสี่สิบเจ็ดอบคุณหมอเชิญกลับนมัสกหลวงพ่อครับผมทำสมาธิมาสามสิบสามปีได้อ่านทางเอกของหลวงพ่อถึงทราบ ว, ว่าเป็นมิชาสมาธิผมจึงได้เปลี่ยนมามาดูจิตอยู่สองสามวันสองวันหลังจากที่ได้เริ่มดูจิตผมก็นอนรู้สึกตัวตลอดทั้งคืน mm hmm. ความฝันเกิดผมก็สามารถหยุดความฝันได้ครับ mm hmm. พอตีเช้าก็จะเห็นจิต เขาสวดมนได้เองออืครับพอมาถึงกลางวันคิดก็รวมลงแล้วก็มาเห็นวเวงเป็นาธาตุหลังจากนั้นลงมาใจก็แยกเป็นาธาตุสี่เห็นครับดีนะตอนนี้จิตถลัมไปนะคุณหมออย่าไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปเกรงไว้สบายๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายหลังจากนั้นก็ไปรู้าธาตุของกลิ่น แล้วก็รู้โอชะของลมหายใจครับโดยธาตุดินธาตุไฟ้านุลมนั้ น, นรู้ได้กายสัมผัสส่วนธาตุน้ำรู้ ด, ด้วยใจรู้ด้วยใจถูกต้องแต่เวลาคุณหมอรู้นะอย่าให้จิตถลมลงไปรู้นะให้จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบายๆธาตุากรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำยากมากเลยนะทำได้นะ่เก่งนะแต่จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลจะเห็นว่าธาตุทั้งหลาย แปรปลุนอยู่ตลอดเวลานะไม่มีเราสักอันเดียวเลยหลังจากนั้นอผมเห็นกลิ่นรู้รส ร, รู้กลิ่นของลมหายใจอืมเวทนาก็เกิดครับอเนี่ยเกิดขึ้นสัญญาเขามาปรุงว่าเป็นจิตสังขารทําให้เราชอบเราพอใจหลังจากนั้นความเป็นตัวตนก็เกิดความอะไรนะความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นคปัญญาธรรมก็ดับ กลมาสู่โลกสมมติมัหญหยอีกครั้งอืมผมทุกขึ้นเดินไปทานข้าวครับขณะที่เดินไปจิตก็เดินสติปัฏฐานทั้งสี่บัพปะก็รวมเป็นหนึ่งเดินผ่านคนที่ไม่เคยไม่พอใจกันก็ทราบว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้อืมจิตตอนนั้นแจ้งว่าตอนนี้เรารู้แล้วแต่ไม่ทราบว่ารู้อะไรอืมเดินไปอีสักครู่หนึ่งจิตก็แสดงความรู้สึกสดชื่นเบิกบานให้ทราบ Mm hmm. แล้วก็แจ้งว่าเรารู้แล้วอีกครั้งครับ mm hmm. หลังจากนั้นความสุขก็ผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ mm hmm. จะบังคับให้จุดก็ไม่ได้ได้ mm hmm. เกินเจ็ดวันความสุขที่ผุดมาก็หายไปห mm hmm. ลังานั้นการตามดูตารู้ก็เป็นเรื่องปกติศีล mm hmm. ก็ไม่ต้องรักษาแ mm hmm. า่ว่าอินทรียสังวรก็อยู่กับสติที่มีขึ้นครับ mm hmm. เราไใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่หลายเดือนจนทราบว่าบีดานากับสัญญานี่เองที่เป็นตัวปรุงตึงปรงุงปรุงสังขารจิตให้มีตัวตนขึ้นมาอือันนี้เป็นเป็นเด็กที่เกิดใหม่ที่ลมหายใจแรกที่เข้าไปแล้วปรุงแต่งทําให้เป็นตัวตนขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเด็กปรุงแต่งได้อยู่ในครันครับอะไรนะลมหายใจแรกของเด็ก ล้วเกิดการปรองแต่งอันนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้มีตัวตนขึ้นหรือว่าเด็กปรองแต่งนักแต่อยู่ในครรนแล้วครับนี่หมอคงศักเพิ่งเกบพูดเมื่อเช้าเนี่ยต้องให้หมออธิบายจริงๆนะพอมันมีสัญญานะมันถึงจะปรองแต่งได้มีตัวมีตนขึ้นมาอสังขารมันทํางานได้ลําพังสัญญา ฝุดขึ้นมานะไม่เข้าไปหมไม่เพ้าอะไรเนะี่ยความเป็นตัวตนไม่มีนี่หลวงพ่อไม่รู้ว่าเด็กในท้องมันมีไหมต้องถามหมอแล้วมีสัญญาไหมเด็กในท้อง <c oughs> คุณหมาระวังเดียวอย่าให้ใจลงไปน้อมลงไปนะให้ใจตื่นจริงจริงลุดออกมาอย่างขนาดนี้ยอย่าตื่นไม่เต็มที่รู้สึกไหมใจไม่เคล้าอยู่ในอารมณ์ย้ำรู้สึกตัวนะแต่แท้เติมตื่นขึ้นมาเราจะเห็นโลกทานเนี่ยไม่มีอะไรว่างเปล่า ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาสัญญาเข้าไปหมายสังขารมันปรุงสัญญาเข้าไปหมายความเป็นตัวเป็นตนมันก็มีขึ้นมาถ้าสติปัญญามันแก่รอบจริงมันเห็นว่าเป็นกระบวนการทํางานของธาตุของขันเท่านั้นเองตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วก็จะเห็นความจริงของว่าขันมันไม่มีตัวมีตนมาแต่แรกเราภาวนาเพื่อละความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ได้ละภาวนาเพื่อละตัวตนเพราะไม่มี นะอย่างนี้ใจมันเคลื่อนไปนะใจมันเคลื่อนไปเรารู้ทันรู้สบายๆคุณหมอพยายามลืมตาไว้นะยำลืมตานะพยายามรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆนะเอาเบอร์เ7สักมการครับหลวงพ่อขนาดนี้มีอาการกดกดแล้ง่วงง่วงนอนได้ครับขนาดที่รอยกป้ายรอที่หลวงพ่อขามาจะได้ส่งการบ้านหรือเปล่าเห็นสภาวะเกิดขึ้นครับหนึ่งอยากได้เลย S <S อยากได้แล้วเกิดความว่าเกิดความห่วงกลัวมไม่ได้เกิดความทุกข์ทุกข์ขึ้นมาแทนที่ความอยากปุ๊บหลวงพ่อเรียกเจ็ดสิบเจดเกิดความสุขทุกข์หายเกิดไก่ทีนี้มันก็เกิดความคิดคิดคือว่าฟังหลวงพ่อพูดพูดแล้วก็คิดคิดแล้วก็หยุดแล้วก็ฟังคิดแล้วก็หยุดก็ฟังอย่างนี้ดูอย่างนี้นใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อคิดรู้ว่าคิดฟัง ร, รู้ว่าฟังใช้ได้แล้วก็บางครั้งมันจะเกิดสภาวะคือจะเห็นภาพปุ๊บ มันจะจะรู้ว่าเห็นปุ๊บทีนี้มันก็จะตีค่าอืตีค่าขึ้นมาว่าอย่างเห็นผู้หญิงสวยป่ะเจ้าก็จะเห็นแบบตีค่าผู้หญิงสวยชอบไม่ชอบอทีนี้ก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจแต่แมันก็ดับไปนาถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อย่างอย่างเสียงอย่างเนี้ยจะจะมีสภาวะเสียงหนึ่งคือต้องมากระทบก่อน อ, อพอกระทบเราปุ๊บเราจะรู้รู้ปุ๊บทีนี้ก็เกิดการตีค่าใช่มันต้องแปลก่อนนะครับแปลแล้วก็ตีค่า ตีค่าเสร็จแล้วก็ให้ค่าให้ค่าเออแล้วถึงจะเอาละศุขทุกข์ดีชั่วค่อยตามมาดูอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับได้สิ่งที่ผมอยากถามจริงๆคือว่าหลวงพ่อครับผมมอะกับพิหารธรรมอันไหนครับดูตัวนี้ได้ก็ดูไปเรื่อยๆอ๋อดูตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดูจิตไปอ๋อนี่คือกรรบ้านใช่ไหมครับดูจิตใช่ดูจิตไปเห็นวิธีของจิตนะถ้าผมภาวนาทุกทีผมไม่คชอบอยู่กับองค์ภาวนาน่ยจะอยู่เฉพาะจะเห็นเฉพาะจิตมันไหลเคลื่อนไปคิด เพื่อนไปคิดเคลื่อนไปคิดตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนั้นดีนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูบางครั้งมันก็จะไหลเป็นผู้คิดบางครั้งมันจะร่วมคิดก่อนอืเป็นเรื่องราวขึ้นมาอ้ารู้รู้แล้วว่าจิตคิดรู้จิตรู้ทันจิตเป็นไงเลยครับครับขอบคุณท่านหลวงพ่อครับแต่ถึงจุดหนึ่งนะก็ต้องทําความสงบบางนะตกลงหาตัวนี้ไม่ได้หรอกครับความสงบเนี่ยอยู่กับพุทโธได้ไหมคือผมผึกฟองยบมาครับผึกฟองยบอยู่กับฟองยบได้ไหม พอเรียทำสิ่งไรมันก็จะเพ่งแต่มันก็รู้ว่าเพ่ง่ะี่ยทีนี้มันก็เกิดค่าขึ้นมาว่าไม่ชอบเราอย่าไปทําด้วยความอยากสิเราไปดูพองยุ็ดูเล่นๆดูเล่นๆนะครับอดูเล่นๆนะไม่ใช่ว่าต้องดูแล้วต้องสงบต้องดูแล้วต้องรู้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่าไปบังคับมันอ๋อสิ่งที่ขาดคือความสงบใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับจิตมันฟุ้งซ่านไปนิดนึงดูออกไหมฟุ้งซ่านในคําพูดครับคือว่าพยายามพาวเวอร์ดึงตัวเองขึ้นมาให้ดูดีที่สุดอ จริงๆมันก็หลอกตัวเองอ่ะอแต่รู้ครับคือว่าอยากให้ดูดีอ่ะอคือมันทำอะไรคือแบบยีมานะมีตัวตนตลอดอ่ะแม้แต่แม้แต่ขยับมือเนี่ยก็เพื่อตัวเองอ่ะโอ้มันอย่างนี้สิถูกใจอา้าวหกสิบสี่คุณหมอดีนะดูไปแต่ว่าใจเราต้องไม่ไม่ไปเคล้ากับมันนะเป็นอิสระอย่าไปเคล้ากับอารมณ์ นั่นมันจะมีความสุขโดยตัวของมันเองไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกนมันส ก, การค่ะหลวงพ่อคือเมื่อวานนี้หนูมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ยังไม่เคยฟังซีดีอะไรเลยมีแต่เพื่อเล่าให้ฟังนะคะแล้วเมื่อวานก็มาครั้งแรกเออก็อยากจะปรึกษาหลวงพ่อนิดนึงนะคะอยากให้หลวงพ่อให้คําแนะนำนะคะว่าออหลักการปฏิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกอย่างหนูอะคะ่ะดูใจตัวเองไปตั้งแต่ตื่น<ด>นอนเลย รู้สภาว่ะเช่นตื่นนอนขึ้นมานะทำงานนี้ยังท ำ, ทำงานแล้วค่ะทำงานอะไรละ่ะเป็นพนักงานบริษัทนี้แหละเดอทํางานอาทิตย์หนึ่งกี่วันทํางาน5วันค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสังเกตไหมตื่นนอนมาวันจันทร์เนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกับวันศุกร์ใช่เ <laughs> นี่ยตื่นนอนก็เริ่มดูเลยวัน <laughs> จันทร์ตื่นขึ้นมาสดชื่นไหมไม่สดชื่นขี้เกียจใช่ไหมวันพุธนี่เบื่อเลยรู้สึกไหม วันพุธนี่เบื่อวันพฤหัสหันเริ่มมีควา ม, มสุขแล้ววันสุขเริ่มกระดีกระดา <c oughs> สึกไหมวันเสาร์ก็สบายใจวันอาทิตย์เริ่มเซ็งอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำงานเ <c oughs> นี่ยดูใจนะแต่และ ว, วันเนี่ยใจไม่เคยเหมือนกันก็ดูเป็นวันวันได้แล้วต่อไปดูเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันวันเดียวกันนะตอนเช้าวความรู้สึกอย่างตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกัน ถ้านะดูเป็นช่วงเวลาได้แล้วก็ดูเป็นขณนะ<ม>ขณะขณะนี้ความรู้สึกอย่างนี้ขณะนี้ความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกเราเปลี่ยนตลอดหัดนะ<ม>ดูไปเรื่อยตอหลังไม่จะทียิบเลยนะทียิเหมือนหน่มนั้นอ่ะที่ว่าอีโก้จัดอ่นะแล้วเราอย่างนี้อย่างสมมติว่าเวลาเราอยู่ที่ทํางานใช่ไหมคะมหรืออยู่ที่บ้านก็ตามแต่เราจะมีวิธีการป้องกันจิตใจเรายังไงไม่ให้ไปมีผลกระทบกับ ภาวะรอบข้างค่ะอย่างแบบอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างหรืออะไรอย่างที่ทำให้ถือศีลไว้ก่อนถือศีลไว้ก่อนนัหมายถึงโปรแกรมตัวเองบอกตัวเองไว้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยว่าวันนี้นัดถึงจะกิเลสแรงแค่ไหนนะก็จะไม่ร้ารานคนอื่นร้าวคือใช่ใช่อย่างที่เมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อบอกหรือปาคะอย่างสมมติว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เป็นโทสะเข้ามาเนี่ยก็ให้คิดในแง่บวกเข้าไว้ก่อนเออย่างนั้นเป็นวิธีหนี วิธีที่เดิมขั้นแรกเลยนะเราจะไม่ไปคิดวิธีบวกเพื่อแก้โทสะอันนั้นเอาไว้จนตัวทําอะไรไม่ไหวแล้วถึงจะทำคือหนูมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะสุรามีคําพูดอะไรเข้ามาใช่ไหมคะมีคําพูดมาไม่พอใจหนูก็จว่าไม่พอใจใช่หนูจะพยายามหาเหตุผลเพื่อไปโปะตรงนั้นว่าอ๋อเพราะว่าอย่างนี้ไงเขาถึงพูดอย่างนี้มาแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอันนั้นจะเป็นวิธีแก้ปัญหาค่ะมีอีกวิธีหนึ่งที่แปลกกว่านั้นอีก ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจแต่ว่าปากขูดไว้ก่อนมือเก็บไว้ก่อนนะตัว น, นี้เก็บปากเก็บมือไว้เนี่ยเรียกว่ารักษาศีลไว้ก่อนแต่แ<ล>ทางใจเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับมันใจ<ม>แค่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็จะเห็นเลยความไม่พอใจมันเกิดนะมีเหตุมันก็เกิดเขาพูดมาแล้วขัดกับความเห็นของเราไม่พอใจกนะ็เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปมันเกิดแล้วมันดับ ต่อไปไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดนะันก็ดูแบบเดียวกันนะดูมันเห็นมันมาแล้วมันก็จะไปเองนี่เป็นวิธีการของการหัดภาวนานะส่วนนี้การคิดในแง่บวกนะเป็นศินละปะในการดำรงชีวิตในโลกอ๋อค่ะนะขอบคุณค่ะอาเชญกลับบ้าน